ทุติยเจะตุกะนิเทศแสดงหมวดสี่แห่งยานที่สองพิสุสัมเนียกว่าเรากำหนดรู้ปิติหายใจเข้าสัมเนียกว่าเรากำหนดรู้ปิติหายใจออกอย่างไรปิติเป็นอย่างไรเพลเมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอ ก, กคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวปิติและปราโมทย่อมเกิดขึ้น Ens, да. เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจลมหายใจออกยาวปิติและปราโมทย่อมเกิดขึ้นด้วยอํานาจลมหายใจเข้าสั้นด้วยอํานาจลมหายใจออกสั้นด้วยอํานาจความเป็นผู้กําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าด้วยอํานาจความเป็นผู้กําหนดรู้คลองลมทั้งปวงหายใจออกด้วยอํานาจความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้า เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคาตาลมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงรับคลายสังขารหายใจออกปิติและปราโมทย่อมเกิดขึ้นปิติและปราโมทือความเบิกบานใจความบันเทิงความหันษาความเรื่นเริงจิตความปลื้มจิตความดีใจความพอใจนี้ชื่อว่าปิติปิตินั้นย่อมปรากฏอย่างไร คือเมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกคพตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจลมหายใจเข้าหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมั่นปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยยานั้นเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคพตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมั่นปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยยานั้นด้วยอํานาจลมหายใจเข้าสั้น ด้วยอำนาจลมหายใจออกสั้นด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้าเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารลมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออกสติย่อมตั้งมั่น ปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยยานั้นเมื่อคำหนึ่งถึงปีตินั้นย่อมปรากฏเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่อทิฏฐานจิตเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาเมื่อประคองความเพียรเมื่อตั้งสติไว้มั่นเมื่อตั้งจิตไว้มั่นเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาเมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อละธรรมที่ควรละ เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งปิตินั้นย่อมปรากฏปิตินั้นย่อมปรากฏอย่างนี้เวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้รู้ชัดปิติหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติการพิจารณาเห็นเป็นญาณเวทนาย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วย ภิสุพิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยสตินั้นด้วยยานั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาคำว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าพิสุพิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างไรเือพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างนี้คำว่าภาวนา อธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งหนึ่งชื่อว่าสีละวิสุทธิเพราะมีความหมายว่าเป็นผู้กำหนดรู้ปิติระวังลมหายใจเข้าหายใจออกเมือ่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมณไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจเข้าหายใจออก ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ภิกษุสำเนียกว่าเรากําหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากาหนดรู้สุขหายใจออกอย่างไรคำว่าสุขอธิบายว่าสุขมีสองอย่างคือหนึ่งกายุกสุขสองเจตสิกสุข กายยึกระสุขเป็นอย่างไรคือความสําราญทางกายความสุขทางกายความเสวยสุขที่เป็นความสําราญซึ่งเกิดจากกายสัมผัสสุขเวทนาที่เป็นความสําราญซึ่งเกิดจากกายสัมผัสนี้เป็นกายยึกระสุขเจตสุกกระสุขเป็นอย่างไรคือความสําราญทางใจความสุขทางใจความเสวยสุขที่เป็นความสําราญซึ่งเกิดจากเจโตสัมผัส สุขเวทนาที่เป็นความสําราญซึ่งเกิดจากเจโตสัมผัสนี้เป็นเจตสิกสุขสุขเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างไรคือเมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจลมหายใจเข้ายาวสติย่อมตั้งมั่นสุขเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยยา น, นั้นเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจลมหายใจออกยาว สติย่อมตั้งมั่นสุขเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยยา น, นั้นเมื่อทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งสุขเหล่านั้นย่อมปรากฏสุขเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างนี้เวทนาด้วยอานาจความเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติการพิจารณาเห็นเป็นยานเวทนาย่อมปรากฏไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยพิกษุพิจารณาเวทนานั้นด้วยสตินั้นด้วยยานั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปทานภาวนาคือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายคําว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าพิกษุพิจารณาเห็นเวทนาอย่างไรคือพิจารณาเห็นโดยความไม่เทีิยม พิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งๆชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีความหมายว่าเป็นผู้กำหนดรู้สุขระวังลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อพิสุรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารม ไม่ฟุงงซ่านด้วยอานาจความเป็นผู้กาหนดรู้สึกหายใจเข้าหายใจออกยอมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ภิกษุสาเนีกว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสาเนีกว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกอย่างไรจิตตสังขารเป็นอย่างไร สัญญาและเวทนาด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวเป็นเจตสิกธทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิต CI. เป็นจิตสังขารสัญญาและเวทนาด้วยอำนาจลมหายใจเข้าหายใจออกยาวเป็นเจตสิกธทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตสังขารสัญญาละเวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าสัญญาละเวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจออก เป็นเจตสิกทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิตนี้ชื่อว่าจิตตสังขารจิตตสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างไรคือเมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจลมหายใจเข้ายาวสติย่อมตั้งมั่นจิตตสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยยา น, นั้นเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจลมหายใจออกยาว สติย่อมตั้งมั่นจิตตสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยยา น, นั้นเมื่อทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งจิตตสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏจิตตสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างนี้เวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติการพิจารณาเห็นเป็นยาน เวทนาย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิสุพิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยสตินั้นด้วยยา น, นั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติประธานภาวนาคือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายคำว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าพิสุพิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างไร เพือพิจารณาเห็นเดียวความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างนี้คําว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งเนืองชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีความหมายว่าเป็นผู้กําหนดรู้จิตสังขารระวังลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อพิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารม ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้กวาหนรู้จิตสังขารหายใจเข้าหายใจออกย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ภิกษุสำเนียกว่าเราระ ง, งับจิตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระ ง, งับจิตสังขารหายใจออกอย่างไรจิตสังขารเป็นอย่างไร คือสัญญาและเวทนาด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวเป็นเจตสิกทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตสังขารภิกษุเมื่อระงับดับทำจิตสังขารเหล่านั้นให้สงบชื่อว่าสําเนียกอยู่สัญญาและเวทนาด้วยอำนาจลมหายใจออกยาวเป็นเจตสิกทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตสังขารภิกษุเมื่อระงับดับทำจิตสังขารเหล่านั้นให้สงบ ชื่อว่าสําเนียกอยู่สัญญาละเวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าและสัญญาละเวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกเป็นเจตสิกทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตตสังขารภิกษุเมื่อรังับดับทำจิตตสังขารเหล่านั้นให้สงบชื่อว่าสําเนียกอยู่ เวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงรับจิตสังขารหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติการพิจารณาเห็นเป็นญาณเวทนาย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิกษุพิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า สติปทานภาวนาเคือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายคําว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าพิสุพิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างไรพิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างนี้คําว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งหนึ่ง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 อนุปัสนาญาณแปดอุปทานายนุสติแปดสุดตันติกะวัตุสีในการพิจารณาเห็นเวทนาภาณวาระจบตติยะจตุ ก, กะนิเทศแสดงหมวดสี่แห่งยานที่สามพิสุสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออกอย่างไร จิตนั้นเป็นอย่างไรคือวิญญาณด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวเป็นจิตจิตคือมโนมานัตหาไทยปันทะมโนมนายตนะมนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุอันควรแก่จิตนั้นใดนี้ชื่อว่าจิตวิญญาณด้วยอำนาจลมหายใจออกยาวด้วยอำนาจความเป็นผู้ระ ง, งับจิตตสังขารหายใจเข้า วิญญาณด้วยอำนาจความเป็นผู้ระ ง, งับจิตตสังขารหายใจออกเป็นจิตจิตคือมโนมานัตหาไทยปันระมโนมนายตนะมณีสีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุอันควรแก่จิตนั้นใดนี้ชื่อว่าจิตจิตนั้นย่อมปรากฏอย่างไรคือเมื่อพิสุรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารม ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวสติย่อมตั้งมั่นจิตนั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมั่นจิตนั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นเมื่อทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งจิตนั้นย่อมปรากฏจิตนั้นย่อมปรากฏอย่างนี้ วิญญาณด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติการพิจารณาเห็นเป็นญาณจิตย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยพิสุพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปทานภาวนาคือการพิจารณาเห็นจิตในจิต คำว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าพิสุพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างไรพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนืองๆชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีความหมายว่าเป็นผู้กำหนดรู้จิตระวังลมหายใจเข้าหายใจออก เมื่อพิสุรู้ความที่จิตเป็นเอกขตาลมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าหายใจออกยอมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์พิสุสำเนีกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนีกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออกอย่างไร ความเบิกบานแห่งจิตเป็นอย่างไรคือเมื่อพิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกคตาลมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวความเบิกบานแห่งจิตย่อมเกิดขึ้นความเรื่นเริงความบันเทิงความหันษาความร่าเริงจิตความปลื้มจิตความปิติยินดีความดีใจใดนี้เป็นความเบิกบานแห่งจิตเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารม ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาวความเบิกบานแห่งจิตย่อมเกิดขึ้นความเริ่นเริงความบันเทิงความหันษาความร่าเริงจิตความปลื้มจิตความปิติยินดีความดีใจใดเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกขตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้กาหนดรู้จิตหายใจเข้าเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารม ไม่ฟุ้งซ่านเรื่มหน้าความเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออกความเบิกบานแห่งจิตย่อมเกิดขึ้นความเรื่นเริงความบันเทิงความหันษาความร่าเริงจิตความปลื้มจิตความปิติยินดีความดีใจใดนี้เป็นความเบิกบานแห่งจิตวิญญาณเรื่มหน้าความเป็นผู้ให้จิตเบิกบานหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติ การพิจารณาเห็นเป็นญาณจิตย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยพิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปทานภาวนาเพื่อการพิจารณาเห็นจิตในจิตคําว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าพิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างไร พิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนืองเนืองชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีความหมายว่าเป็นผู้ทําจิตให้บันเทิงระวังลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อพิสุรู้ความที่จิตเป็นเอกราคารม ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้ทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าหายใจออกย่อมให้อินทรีทั้งหลายประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ภิกษุสำเนีกว่าเราตั้งจิตไว้หายใจเข้าสำเนีกว่าเราตั้งจิตไว้หายใจออกอย่างไรสมาธินีเป็นอย่างไร คือความที่จิตเป็นเอกครตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวเป็นสมาธิความที่จิตเป็นเอกครตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาวเป็นสมาธิความที่จิตเป็นเอกครตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจตั้งจิตมั่นหายใจเข้าเป็นสมาธิความตั้งอยู่ความตั้งอยู่ดีความตั้งอยู่เฉพาะความไม่กัดแกวงความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต ความมีจิตไม่กัดแกว่งความสงบสมาธินีสมาธิพละสำ ม, มาสมาธิใดนี้เป็นสมาธินีวิญญาณด้วยอำนาจตั้งจิตมั่นหายใจเข้าเป็นจิตความปรากฏเป็นสติการพิจารณาเห็นเป็นญาณจิตย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้น เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นจิตในจิตคําว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าภิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างไรพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างนี้คําว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนืองเืองชื่อว่า และวิสุทธิเพราะมีความหมายว่าเป็นผู้ตั้งจิตไว้ระวังลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อบุคคลรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้ตั้งมั่นหายใจเข้าย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์พิสุสัมเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้า สำเนีกว่าเราเปลืองจิตหายใจออกอย่างไรคือภิกษุสำเนีกว่าเราเปลืองจิตจากราคะหายใจเข้าสำเนีกว่าเราเปลืองจิตจากราคะหายใจออกสำเนีกว่าเราเปลืองจิตจากโทสะหายใจเข้าสำเนีกว่าเราเปลืองจิตจากโทสะหายใจออกสำเนีกว่าเราเปลืองจิตจากโมหะหายใจเข้า สำเนียกว่าเราเปลื้องจิตจากโมหะหายใจออกสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตจากมานะเราเปลื้องจิตจากทิฏฐิเราเปลื collective collective therefore therefore ปป artist artist aya, ้องจิตจากวิจิกิจฉาเราเปลื้องจิตจากถีนมิทะเราเปลื้องจิตจากอุทจฉาเราเปลื้องจิตจากอะหิริกะความไม่ละอายสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตจากอนุตตะปะความไม่เกรงกลัวบาปหายใจเข้า จำเนี่ยว่าเราเปลื้องจิตจากอนุตตปะหายใจออกวิญญาณด้วยอำนาจการเปลื้องจิตหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติคําว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าภิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างไรพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างนี้คําว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือ ชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งเนื่งชื่อว่าศิลวิสุทธิเพราะมีความหมายว่าเป็นผู้เปลื้องจิตระวังลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้เปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมให้อินทรีทั้งหลายประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบ เป็นประโยชน์อนุปัสนาญาณแปดกูปัฏฐานานุสติแปดสุดตันติกะวัตถุสีในการพิจารณาเห็นจิตในจิตภาณวาระจบ เจตุทาเจะตุกรณิเทศแสดงหมวดสี่แห่งยานที่สี่กิุสำมเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำมเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกอย่างไรคือคำว่าไม่เที่ยงอธิบายว่าอะไรไม่เที่ยงคือเบญจขันธ์ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะมีสภาวะเป็นอย่างไร คือไม่เที่ยงเพราะมีสภาวะเกิดขึ้นและเสื่อมไปพระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันย่อมเห็นลักษณะเท่าไรเมื่อเห็นความเสื่อมไปแห่งเบญจขันย่อมเห็นลักษณะเท่าไรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งเบญจขันย่อมเห็นลักษณะเท่าไรพระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันย่อมเห็นลักษณะยี่สิห้า เมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งเบญจขันธ์ย่อมเห็นลักษณะห้าสิบนี้พิสุสําเนียกว่าเรารพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในรูปหายใจเข้าสําเนียกว่าเรารพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในรูปหายใจออกสําเนียกว่าเรารพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักขุสัมเนียกว่า เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในชะาและมรณะหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในชะาและมรณะหายใจออกทำทั้งหลายด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติการพิจารณาเห็นเป็นญาณทำย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วย พิสุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นด้วยสตินั้นด้วยยานั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคำว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าพิษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างไรพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่าง คือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งเนืองชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีความหมายว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงระวังลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อพิสุรู้ความที่จิตเป็นเอกรคตารลมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ภิกษุสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกอย่างไรคือภิกษุเห็นโทษในรูปแล้วเกิดฉันทะในความคลายออกได้ในรูปน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาและมีจิตตั้งมั่นด้วยดี สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้ในรูปหายใจเข้าจำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้ในรูปหายใจออกพิสุเห็นโทษในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักรคูเห็นโทษในชราและมรณะแล้วเกิดชันทะในความคลายออกได้ในชราและมรณะน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดีสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้ในชราและมรณะหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้ในชราและมรณะหายใจออกทำทั้งหลายด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติการพิจารณาเห็นเป็นญาณ ทำย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นด้วยสตินั้นด้วยยานั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติประธานภาวนาคือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคำว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าภิกษุพิจารณาเห็นธรรม เ, เหล่านั้นอย่างไรพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างนี้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 เห็นความคลายออกได้หายใจเข้าหายใจออกย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ภิกษุสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับหายใจออกอย่างไร เพื่อภิกษุเห็นโทษในรูปแล้วเกิดชันทะในความดับแห่งรูปน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาและมีจิตตั้งมั่นด้วยดีสำเนียยว่าเราพิจารณาเห็นความดับในรูปหายใจเข้าสำเนียยว่าเราพิจารณาเห็นความดับในรูปหายใจออกภิกษุเห็นโทษในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักรุ เห็นโทษในชราและมรณะแล้วเกิดฉันทะในความดับแห่งชราและมรณะน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาและมีจิตตั้งมั่นด้วยดีสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับในชราและมรณะหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับในชราและมรณะหายใจออกโทษในอวิชามีเพราะอาการเท่าไรอวิชาดับเพราะอาการเท่าไร คือโทษในอวิชามีเพราะอาการห้าอย่างอวิชาดับเพราะอาการแปดอย่างโทษในอวิชามีเพราะอาการห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งโทษในอวิชามีเพราะมีสภาวะไม่เที่ยงสองโทษในอวิชามีเพราะมีสภาวะเป็นทุกข์สโทษในอวิชามีเพราะมีสภาวะเป็นอนัตตาสโทษในอวิชามี เพราะมีสภาวะเป็นเหตุให้เดือดร้อน 5. โทษในอวิชามีเพราะมีสภาวะแปรผันโทษในอวิชามีเพราะอาการห้าอย่างนี้อวิชชาดับเพราะอาการแปดอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งอวิชชาดับเพราะต้นเหตุดับสองอวิชชาดับเพราะสมุทัยดับสาอวิชชาดับเพราะชาติดับ 4. ี่อวิชชาดับ เพราะ อ, อาหารดับห้อาอวิชชาดับเพราะเหตุดับหอวิชชาดับเพราะปัจจัยดับเจ็ดอวิชชาดับเพราะยานเกิดขึ้นแปดอวิชชาดับเพราะนิโรบปรากฏอวิชชาดับเพราะอาการแปดอย่างนี้ภิกษุเห็นโทษในอวิชชาเพราะอาการห้าอย่างนี้แล้วเกิดฉันทะในความดับอวิชชาเพราะอาการแปดอย่างนี้ น้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาและมีจิตตั้งมั่นด้วยดีสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับแผงอวิชชาหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับแผงอวิชชาหายใจออกโทษในสังขารมีเพราะอาการเท่าไรสังขารดับเพราะอาการเท่าไรโทษในวิญญาณมีเพราะอาการเท่าไรวิญญาณดับเพราะอาการเท่าไร โทษในนามรูปมีเพราะอาการเท่าไรนามรูปดับเพราะอาการเท่าไรโทษในชลายาตนะมีเพราะอาการเท่าไรชลายาตนะดับเพราะอาการเท่าไรโทษในผัสสะมีเพราะอาการเท่าไรผัสสะดับเพราะอาการเท่าไรโทษในเวทนามีเพราะอาการเท่าไรเวทนาดับเพราะอาการเท่าไรโทษในตัณหามีเพราะอาการเท่าไร ตันหาดับเพราะอาการเท่าไรโทษในอุปทานมีเพราะอาการเท่าไรอุปทานดับเพราะอาการเท่าไรโทษในภพมีเพราะอาการเท่าไรภพดับเพราะอาการเท่าไรโทษในชาติม <out> ีเพราะอาการเท่าไรชาติดับเพราะอาการเท่าไรโทษในชราและมรณะมีเพราะอาการเท่าไรชราและมรณะดับเพราะอาการเท่าไร คือโทษในชราและมรณะมีเพราะอาการห้าอย่างชราและมรณะดับเพราะอาการแปดอย่างโทษในชราและมรณะมีเพราะอาการห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งโทษในชราและมรณะมีเพราะมิสภาวะไม่เที่ยงสองเพราะมิสภาวะเป็นทุกข์สเพราะมิสภาวะเป็นอนัตตาสเพราะมิสภาวะเป็นเหตุให้เดือดร้อนห้า โทษในชราและมรณะมีเพราะมีสภาวะแปรผันโทษในชราและมรณะมีเพราะอาการห้าอย่างนี้ชราและมรณะดับเพราะอาการแปดอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งชราและมรณะดับเพราะต้นเหตุดับสองเพราะสมุทัยดับสเพราะชาติดับสชราและมรณะดับเพราะพบดับห้าเพราะเหตุดับหก เพราะปัจจัยดับ7เพราะยานเกิดขึ้น 8. ชราและมรณะดับเพราะนิโรธปรากฏชราและมรณะดับเพราะอาการ8ดอย่างนี้ภิกษุเห็นโทษในชราและมรณะเพราะอาการห้าอย่างนี้แล้วเปิดฉันทะในความดับแห่งชราและมรณะเพราะอาการแปดอย่างนี้น้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาและมีจิตตั้งมั่นด้วยดีสำเนียวว่า เราพิจารณาเห็นความดับในชราและมรณะหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับในชราและมรณะหายใจออกทำทั้งหลายด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติการพิจารณาเห็นเป็นญาณทมย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วย พิษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นด้วยสตินั้นด้วยยานั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาพือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคําว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าภิษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างไรพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างนี้คาว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือ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 และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ภิกษุสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกอย่างไรคาว่าความสละคืนอธิบายว่าความสละคืนมีสองอย่างคือหนึ่งความสละคืนด้วยการบริจาคสองความสละคืนด้วยความแล่นไป จิตสละรูปเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสละคืนด้วยการบริจาคจิตแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความดับแห่งรูปเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสละคืนด้วยความแล่นไปภิกษุสัมเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนในรูปหายใจเข้าสัมเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนในรูปหายใจออกจิตสละเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณจากขู่จิตละชาราและมรณะเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสละคืนด้วยการบริจาคจิตแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความดับแห่งชาราและมรณะเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสละคืนด้วยความเล่นไปที่สุสัมเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนในชาราและมรณะหายใจเข้าสัมเนียกว่า เราพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะหายใจออกทาทั้งหลายด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติการพิจารณาเห็นเป็นญาณทำย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิกษุพิจารณาเห็นทำเหล่านั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้น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 ชื่อว่าจิตวิสุทธิเพราะมีความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิเพราะมีความหมายว่าเห็นบรรดาความสำรวมความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้นความสำรวมชื่อว่าอธิศินและสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตสิกขาความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาภิกษุเมื่อคานึงถึงสิกขาสามนี้ ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อทาให้แจ้งทาที่ควรทาให้แจ้งชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความฉละคืนหายใจเข้าหายใจออกเวทนาย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารม ไม่ฟุงส้านด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าหายใจออกย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงรู้ชัดโคจรและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ passed. ให้พระทั้งหลายประชุมลงให้โพชงทั้งหลายประชุมลงให้มักประชุมลงให้ทำทั้งหลายประชุมลงรู้ชัดโคจรและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ Everybody. คำว่าให้อินทรีทั้งหลายประชุมลงอธิบายว่าภิกษุให้อินทรีทั้งหลายประชุมลงอย่างไรคือภิกษุให้สั์ทินทรีประชุมลงเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมในมความสงบเป็นประโยชน์อนุปัสนาญาณ8อุปทานานุสติ8สุตันติกวัตถุ4 ในการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายญาณในการทำสติสามสิบสองประการเหล่านี้สโตการิยา น, านิเทศที่ห้าจบ6ญาณราศิกจะนิเทศแสดงหมวดหกแห่งกองญาณญาณด้วยอำนาจแห่งสมาธิ2ีประการเป็นอย่างไรคือความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งลมหายใจเข้ายาว เป็นสมาธิความที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจแห่งลมหายใจออกยาวเป็นสมาธิความที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจแห่งความเป็นผู้เปลื้องจิตหายใจเข้าหายใจออกเป็นสมาธิยานด้วยอํานาจแห่งสมาธิยี่สิบสนี้ยานด้วยอํานาจแห่งวิปัสสนาเจสบสองประการเป็นอย่างไรคือชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจเข้ายาวโดยความไม่เที่ยงชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจเข้ายาวโดยความเป็นทุกข์ชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจเข้ายาวโดยความเป็นอนัตตาชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจออกยาวโ<จ>ดยความไม่เที่ยงชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจออกยาวโดยความเป็นทุกข์ชื่อว่าวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจออกยาวโดยความเป็นอนัตตาชื่อว่าวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นความเป็นผู้เปลืองจิตหายใจเข้าโดยความไม่เที่ยงชื่อว่าวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นความเป็นผู้เปลืองจิตหายใจออกโดยความไม่เที่ยง ชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมิสภาวะพิจารณาเห็นความเป็นผู้เปลืองจิตหายใจออกโดยความเป็นทุกข์ชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมิจภาวะพิจารณาเห็นความเป็นผู้เปลืองจิตหายใจออกโดยความเป็นอนัตตายานด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนาเจสิบสนี้นิพพิทายาณ8ประการอะไรบ้างคือหนึ่งชื่อว่านิพพิทายาน พราะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้ารู้เห็นตามความเป็นจริงสองชื่อว่านิพิทายานเพราะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกรู้เห็นตามความเป็นจริงสชื่อว่านิพิทายานเพราะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้ารู้เห็นตามความเป็นจริง 4. ชื่อว่านิพิทายาน เพราะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกรู้เห็นตามความเป็นจริงห้าชื่อว่านิพิทายานเพราะพิจรารณาเห็นความดับไปหายใจเข้ารู้เห็นตามความเป็นจริงหกชื่อว่านิพิทายานเพราะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกรู้เห็นตามความเป็นจริงเจชื่อว่ า, า, nee aren, า, ว า, า, วานิพิทายาน เพราะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้ารู้เห็นตามความเป็นจริง 8. ปชื่อว่านิพิทายานเพราะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกรู้เห็นตามความเป็นจริงนิพิทายานแปประการนี้นิพิทานุโลมยานแปประการอะไรบ้างคือหนึ่งปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏเดยความเป็นภัย ของบุคคลผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าชื่อว่าน an ิพิทานุโลมยาน 2. ปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยของบุคคลผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกชื่อว่าน an ิพิทานุโลมยานและถึงเจ็ดปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัย ของบุคคลผู้พิจารณาเห็นความสละเคืองหายใจเข้าชื่อว่าน an ิพิทานุโลมยาน 8. ปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยของบุคคลผู้พิจารณาเห็นความสละเคืองหายใจออกชื่อว่าน an ิพิทานุโลมยานนิพิทานุโลมยานแปประการนี้นิพิทาปฏิปัสติยานแปประการอะไรบ้าง คือหนึ่งปัญญาที่พิจารณาแล้วดำรงมั่นอยู่ของบุคคลผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าชื่อว่านิพิธาปฏิปสธิยาน 2. ปัญญาที่พิจารณาแล้วดำรงมั่นอยู่ของบุคคลผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกชื่อว่านิพิธาปฏิปสธิยานและถึง นิพพทาปฏิปัสติญาณแปประการนี้ญาณในวิมุตติยีสิบประการเป็นอย่างไรคือโสดาปฏิมักญาณในวิมุตติสุกเกิดขึ้นเพราะละตัดขาดสักกายทิจิญาณในวิมุตติสุกเกิดขึ้นเพราะละตัดขาดวิจิกิจฉาญาณในวิมุตติสุกเกิดขึ้นเพราะละตัดขาดศิลปตาปรามาญาณในวิมุตติสุเกิดขึ้นเพราะละ ตัดขาดทิฏฐานุสัยญาณในวิมุติสุขเกิดขึ้นเพราะละตัดขาดวิจิกิชานุสัยด้วยจกัดธาคารามิมักญาณในวิมุติสุขเกิดขึ้นเพราะละตัดขาดกามราคาสังโยชน์อย่างหยาบญาณในวิมุติสุขเกิดขึ้นเพราะละตัดขาดปฏิฆาสังโยชน์อย่างหยาบญาณในวิมุติสุขเกิดขึ้นเพราะละตัดขาดกามราคานุสัยอย่างหยาบ ญาณในวิมุตติสุขเกิดขึ้นเพราะละตัดขาดปฏิคานุสัยอย่างหยาบด้วยอนาคาไมมักญาณในวิมุตติสุขเกิดขึ้นเพราะละตัดขาดกามราคะสังโยชน์อย่างละเอียดปฏิคะสังโยชน์อย่างละเอียดกามราคานุสัยอย่างละเอียดปฏิคานุสัยอย่างละเอียดด้วยอรหัตตมักญาณในวิมุตติสุขเกิดขึ้นเพราะละตัดขาดรูปปราคะรูปปราคะ มานะอุทจจะอวิชามานานุใสภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยญาณในวิมุตติสุข21ประการนี้แลเมื่อบุคคลเจริญสมาธิที่ประกอบด้วยอาณาปานาสติอันมีวัตถุ16ยญาณเกินกว่าสองนี้ย่อมเกิดขึ้นอาณาปานาสติคาถาจบ 4. อินทรียะกคาถา ว่าด้วยอินทรีหนึ่งปฐมมาสุตันตนิเทศแสดงสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบิบนิกาเศรษฐีเขโครงสาววธีณทีนท่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระตดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงเรียกราสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือหนอึน่งสัตถินทรีอินทรีย์คือศรัทธาสองวิริทรีอินทรีย์คือวิริยะ 3. สสติินทรีอินทรีย์คือสติสี่สมาทรีอินทรีย์คือสมาธิ ห้าปัญญีรี่อินทรีย์คือปัญญาภิกษุ์ทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้แหลอินทรีย์ห้าประการนี้ย่อมหมดจดด้วยอาการเท่าไรคืออินทรีย์ห้าประการนี้ย่อมหมดจดด้วยอาการสิบห้าอย่างได้แก่เมื่อบุคคลเว้นบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาสมาคมคบหานั่งใกล้บุคคลผู้มีศรัทธาและพิจารณาพระสูตรที่เป็นเหตุนำมาซึ่งความเลื่อมใส สัทินสี่ย่อมหมดจดด้วยอาการสามอย่างนี้เมื่อบุคคลเว้นบุคคลผู้เกียจคร้านสมาคมคบหานั่งใกล้บุคคลผู้มีความเพียรและพิจารณาสัมมัประธานวิรินสี่ย่อมหมดจดด้วยอาการสามอย่างนี้เมื่อบุคคลเว้นบุคคลผู้มีสติหลงลืมสมาคมคบหานั่งใกล้บุคคลผู้มีสติตั้งมั่นและพิจารณาสติประธาน สตินสีย่อมหมดจดด้วยอาการสามอย่างนี้เมื่อบุคคลเว้นบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นสมาคามคบหานั่งใกล้บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นและพิจารณาชานวิโมกสมาธินสีย่อมหมดจดด้วยอาการสามอย่างนี้เมื่อบุคคลเว้นบุคคลผู้มีปัญญาสามสมาคามคบหานั่งใกล้บุคคลผู้มีปัญญาดีและพิจารณาญาณจริยาอันลึกซึง้ง อินรีย์ย่อมหมดจดด้วยอาการ3มอย่างนี้เมื่อบุคคลเว้นบุคคลห้าจำพวกสมาคมคบหานั่งใกล้บุคคลห้าจำพวกและพิจารณาจํานวนพระสูตรหประการดังกลา่าวมานี้อินรีย์าประการนี้ย่อมหมดจดด้วยอาการ15อย่างนี้อินรีย้าอันบุคคลย่อมเจริญด้วยอาการเท่าไหร่การเจริญอินทรีย์ามีได้ด้วยอาการเท่าไหร่ เพื่ออินทรี่ห้าอันบุคคลย่อมเจริญด้วยอาการสิบอย่างการเจริญอินทรี่ห้ามีได้ด้วยอาการสิบอย่างบุคคลเมื่อละความไม่มีศรัทธาชื่อว่าเจริญสัตทินสี่ 4. เมื่อเจริญสัตทินสี่ชื่อว่าละความไม่มีศรัทธาเมื่อละความเกียดคร้านชื่อว่าเจริญวิรีรี่เมื่อเจริญวิรีรีย์ชื่อว่าละความเกียดคร้านเมื่อละความประมาทชื่อว่าเจริญสัตทินรี่ เมื่อเจริญสตินสีชื่อว่าละความประมาทเมื่อละอุทัจจะชื่อว่าเจริญสมาธินสีเมื่อเจริญสมาธินสีชื่อว่าละอุทจจะเมื่อละอวิชาชื่อว่าเจริญปัญญินสีเมื่อเจริญปัญญินสชื่อว่าละอวิชาอินรีห้าอันบุคคลย่อมเจริญด้วยอาการสิบอย่างนี้การเจริญอินรีห้ามีได้ด้วยอาการสิอย่างนี้